นิมนต์วิสัชนาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเกษ จ, จึงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอบิดพระราชสมภารผู้ประเสริฐลักษณะสติจะบังเกิดด้วยอาการส7เจ็ดสถานขอถวายพระพอรอันว่าอาการสิบเจ็ดนั้นคืออภิชานโตสติหนึ่งกูตุมพิกายสติหนึ่ง โอราลิกะวิญญาณโตสติหนึ่งหิตะวิญญาณโตสติหนึ่งอหิตะวิญญาณโตสติหนึ่งสภาคะนิมิตโตสติหนึ่งวิสภาคะนิมิตโตสติหนึ่งกถาพิญญาณโตสติหนึ่งลักขณาโตสติหนึ่งสรณโตสติหนึ่งมุทะโตสติหนึ่งขณาณาโตสติหนึ่ง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 อันฟังพระสูตรครั้งเดียวจําไว้ได้และสตินางขุดชุดตะราอุบาสิกานั้นและนางขุดชุดตะราอุบาสิกานี้ฟังพระสัทธรรมเทศนาครั้งเดียวก็จําได้จําเอามาสัมเดงให้คนทั้งหลายฟังได้ทั่วนทีทั้งพระคาถาบาลีดังนี้ชื่อว่าอภิชาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากร มีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาฆเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากุตุมพิกายสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจริงวิสันาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกุตุมพิกายสตินี้ได้แก่บุคคลทั้งหลายมีสติฟั่นเฟือนขี้หลงขี้ลืม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 และระลึกถึงสุขที่ตนเสวยแต่ก่อนนั้นได้ว่าอัตมาได้เสวยสุขเมื่อครั้งนั้นครั้งนั้นอย่างนี้ชื่อฮิตะวิญญาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิรินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าอหาิตะวิญญาณโตสตินั้นเป็นประการใด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 สมเด็จพระเจ้าวิลิลปินประชากรมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าสภะาานิมิ ต, ตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนรจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรสภะาานิมิ ต, ตโตสตินั้นได้แก่บุคคลเห็นซึ่งผู้อื่นเหมือนบิดามารดา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 ข้าแต่พระนาเคเกษนผู้ปรีชาวิสภาคะนิมิตตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาเคเกษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารวิสภาคะนิมิตตโตสตินั้นได้แก่บุคคลมรลึกว่าสีสันวันณะกลิ่นรสแห่งผลไม้สิ่งนี้เป็นเช่นนี้และระลึกถึงโพธพารล์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 ด้วยอุสาหะสำเนียกจำไว้มากอย่างนี้ชื่อว่าธารณาโตสติขอถวายพระพรครั้งนั้นพระเจ้าวิรินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสณอันว่าภาวนาโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสณจจึงวิสัญชาแก้ไขว่ามหาราชารูราณบาพิษพระราชสมภาร อ่นว่าลักษณะแห่งภาวนาโตสตินั้นสมเด็จพระสันเพชรตรัสเทศนาไว้ว่าภิกษุได้บุพเพนิวาสานุสติญานในศาสนาของตถาคตนี้คือระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างตราบเท่าหลายชาติไปชื่อว่าภาวนาโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่า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 พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอุปนิเขปะนะโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารอุปนิเขปะนะโตสติได้แก่บุคคลเห็นทรัพย์ที่ตั้งไว้และระลึกได้ถึงทรัพย์นั้นชื่อว่าอุปนิเขปะนะโตสติขอถวายพระพร